วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28สิบแปดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดเวลาก็ค่อยผ่านไปผ่านไปทุกวันทุกวั น, วนปีหนึ่งก็ใกล้จะหมดไปเหลืออีกประมาณ3สามวัน ปี 2,567 ก็จะหมดไปสิ่งที่จะหมดไปกับเวลาก็คือชีวิตของพวกเราคือร่างกายของพวกเราที่จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเกิดความตายตามมา เกิดการสูญเสียเกิดการพลาดพากจากกันตามมาอยู่เรื่อยๆนี่คือความจริงที่เราอาจจะไม่ค่อยมาคิดกันเท่าไหร่เพราะเราไม่ชอบคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ทำให้เราเศร้าแต่การไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้านี้จะทำให้เราเกิดความประมาทขึ้นมาได้เกิดความหลงขึ้นมาได้ ความหลงก็คืออะไรความหลงก็คือว่าชีวิตของพวกเราที่เรามาได้ร่างกายอันนี้มันเป็นชีวิตชั่วคราวสิ่งต่างๆที่เราหาได้จากร่างกายของเราโดยร่างกายของเราคือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนกิ้วกาย เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆแต่เพราะอานาจของความหลงแทนที่เราจะมาทำสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราคือใจ เรากลับไปทำสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษให้กับใจของเราโดยหลงไปกับการหาความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นลาบคือเงินทอง ยศคือตําแหน่งต่างๆสรรเสริญคือการได้รับการยกย่องเยนยอและความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายมันก็จะหมดไปเราไม่สามารถเอาราบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายไปกับเราได้เลย สิ่งที่จะเอาติดตัวไปกับเรานี้ก็มีอยู่สองอย่างด้วยกันคือบุญหรือบาปที่เราทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะที่เราไปแสวงหาความสุขทางร่างกายซึ่งมักจะต้องไป สว่างหาด้วยการกระทาบาปกันโดยที่ไม่รู้ว่าถึงแม้เราจะได้ราบยศสระระเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกวิ้กายนี้มาด้วยการกระทาบาปเราก็จะต้องมีบาปติดตัวไปกับเราและเบดบาปนี้จะเป็นตัวที่จะให้โทษให ให้ความทุกข์กับเราหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าการที่เรามาเกิดการที่เรามามีร่างกายนี้เราควรที่จะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรในขณะที่เรามีร่างกายเพื่อประโยชน์ ที่แท้จริงก็คือประโยชน์ของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วให้เราคิดว่าเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางเราใช้รถยนต์เราก็ต้องคอยแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ เพื่อที่รถยนต์จะได้สามารถขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายปลายทางของเราได้เพราะถ้ารถยนต์ขาดเชื้อเพลิงขาดน้ํามันรถยนต์ก็จะไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปไหนได้เราก็จะไม่สามารถไปสู่จุดหมายปลายทางของเราได้ คือธรรมดาเราก็มักจะเดินทางกลับบ้านกันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถึงเวลาเราก็อยากจะเดินทางกลับบ้านกันเพราะบ้านเป็นที่อยู่ของเราเป็นที่ให้ความสุขให้ความปลอดภัยกับเราแต่ถ้าเราเดินทางไม่ถึงบ้านอาจจะติดอยู่ตามท้องถนนเราก็จะอยู่อย่างไม่ปลอดภยัยอยู่อย่างไม่สบาย ใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนกันใจของเรามีบ้านของเรารอเราอยู่ที่เรากำลังจะเดินทางไปกันแต่วิธีการเดินทางของเรานี้ถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีผู้บอกทางเราก็มักจะหลงทางกันแทนที่เราจะไปเดินทางไปสู่บ้าน ที่ให้ความสุขให้ความปลอดภัยกับเราเรากลับติดอยู่บนท้องถนน<ม>ขับไปเวียนไปวนมาเ<ม>พราะเราไม่รู้เป้าหมายจุดหมายปลายทางของการเดินทางของเราว่าเราจะเดินทางไปไหนกันเราก็เลยถูกสิ่งต่างๆ สิ่งที่มายั่วยวนมาหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขให้เราติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาพอมันเสื่อมไปใจเราก็เศร้าใจเราก็ทุกข์แล้วเราก็กลับไปหาสิ่งเหล่านั้นมาอีกมาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ หามาได้เท่าไหร่ความอิ่มความพอจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดมาหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะมาเสพอยู่เรื่อยๆหามาได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไปก็ทําให้เศร้าทําให้เสียใจ ทำให้รู้สึกเหงารู้สึกว้าเว่จึงทําให้ต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่หลอกล่อใจให้ติดอยู่บนถนนหนทางการเดินทางของเราให้เราติดวนเวียนอยู่กับเหมือนกับวงเวียนใหญ่วงเวียนหนึ่งที่พาให้เรามาวนอยู่เรื่อยๆหาลาภยศสารแสนสุข พอราบยศสารเสริญ ส, สุขเสื่อมไปหมดไปก็หาใหม่หาด้วยร่างกายด้วยร่างกายก็เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสารเสริญหาความสุ ข, ขตา่างๆร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายพอใช้พอร่างกายถึงแก่ความตายก็ต้อง ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศสารเสวน จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเราคิดว่านี่เป็นเหมือนบ้านของเราบ้านของเราคือราบยศ ส, สรเสนสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่บ้านเป็นบ้านที่ไม่ปลอดภัยเป็นบ้านที่อยาคอย พังลงมาอยู่เรื่อยๆเคยเห็นตึกถล่มไหมเวลาตึกถล่มนี่คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็ต้องติดอยู่ในซากเปล่าหักพังตายไปกับซากเปล่าหักพังไปใจของเราก็เหมือนกันใจของเรามาติดอยู่กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจน ทำให้เราลืมความจริงหรือจุดหมายปลายทางที่ชีวิตของพวกเราว่าเราจะไปไหนกันแน่สิ่งที่เราต้องสถานที่เราต้องไปนี้มันไม่ใช่เป็นราบยศสรรเสริญสุขสถานที่เราต้องไปต้องการจะไปนี้ะถานที่ที่ปลอดจากความทุกข์เป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจะไม่มีวันพังไม่มีวัน ล่มสลายจะไม่มีความทุกข์จะปลอดภัยจากความทุกข์ทุกประเภททุกชนิดนี่คือบ้านที่เราต้องการจะไปกันแต่ถ้าเราไม่มีคนบอกทางหรือมีคนคอยสอนเราให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำนั้นควรจะเป็นอะไร โดยการที่เราเดินทางโดยรถยนต์นี่เวลาเราดูน้ำมันในรถพอ ร, รู้ว่ามันใกล้จะหมดเราก็ต้องแวะเติมน้ำมันตามสถานีบริการต่างๆแต่การแวะเติมน้ำมันในตามสถานีบริการนี่เราก็แวะเพื่อเติมน้ำมันอย่างเดียว mm. เราจะไม่ไปหลงกับการไปติดอยู่กับที่สถานีบริการกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่อาจจะได้จาก ร้านขายอาหารร้านขายขนมร้านอะไรต่างๆ<ม>เราต้องการที่จะเดินทางไปบ้านของเราบ้านที่ให้ความสุขกับเราอย่างยั่งยืนอย่างท้าวรน<ม>การมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ตามความสอนของพระพุทธเจา้านี่ก็เป็นเหมือนสถานีบริการ การเวลาที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับเวลาที่เรามาจอดแวะสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันต่างๆเพื่อที่รถยนต์จะได้มีน้ำมันขับเคลื่อนพาให้เราได้ไปถึงบ้านของเราที่มีแต่ความสุขมีแต่ความปลอดภัยปราศจากความทุกข์ภัยอันตรายต่างๆ การมาเกิดของเราในแต่ละภพแต่ละชาตินี้จึงควรที่จะมุ่งไปสู่การมาเติมน้ำมันมเติมสิ่งที่จะพาให้จิตใจของเราเดินทางไปสู่<ม>บ้านของจิตใจ<ม>บ้านของจิตใจก็คือนิพพานนี่เอง<ม>นิพพานก็คือบ้านที่มีแต่ความสุข มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ความสุขให้ความสบายแก่จิตใจแม้ปราศ จ, จากความทุกข์ปราศ จ, จากภัยอันตรายต่างๆต่อจิตใจ<ม>เราควรจะมองว่าการมาเกิดของเราในภพของมนุษย์นี้ไม่ได้มาเกิดเพื่อมาหาลาบยศรสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกินืนกายพอถ้าเรามาโมวแต่หา สิ่งเหล่านี้พอร่างกายตายไปร่างกายก็ไม่มีน้ำมันที่จะพาให้เราไปสู่บ้านของเราได้ mm hmm. เราก็จะต้องคอยกลับมาแวะเติมกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดแทนที่จะมาเติมน้ำมันก็มาหาความสุขจากสถานีบริการเ mm hmm. ช่นเข้าห้องน้ำไปซื้อเครื่องดื่มมาดื่มซื้อขนมอาหารมารับประทาน mm hmm. ก็ได้ความสุขแค่นั้นไปพอออกจากสถานีบริการไปก็ไม่มีน้ำมันใส่ไปในรถรถเข้าไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาแวะเติมสถานีบริการก็จะติดอยู่กับที่สถานีบริการไปเรื่อยๆาการเดินทางของเราก็จะไม่มีวันที่จะถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านของเราได้นี่คือ สิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้กันให้รู้กันว่าเรามาเกิดกันทำไมการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ท่านถือว่าเป็นเป็นพบที่ดีพบที่วิเศษเพราเหมือนกับการที่ไปได้พบกับสถานีบริการเวลาที่รถเราน้ามันกำลังจะหมดพอเจอสถานีบริการเราก็จะได้เติมน้ำมันเราจะได้เอาน้ำมันนี้ขับเคลื่อน ใจของเราให้ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงของเราก็คือไปสู่พระนิพพานกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้รับรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่อเติมน้ำมันให้กับจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้เดินทางไปสู่บ้านที่ปลอดภัยบ้านที่มีแต่ความสุขที่แท้จริงของเรา ถ้าเราไม่คอยเติมน้ํามันทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดเราก็จะติดอยู่กับสถานีบริการไปเรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายไปวันๆหนึ่งไปจนถึงวันตายตายไปน้ํามันก็ไม่ได้เติมใจก็จะไปไหนไม่ได้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ และอาจจะต้องไปรับผลที่ไม่ดีในขณะที่เรามาอยู่ในโลกนี้ถ้าเกิดเราไปทำบาป ก, กันเพราะบางทีวิธีหาความสุขหาลาบยศเรส ร, ริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถหาได้โดยที่ไม่ไม่ไม่ใช้วิธีการกระทำบาปเราถ้าอยากได้มากๆเราก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องไปกระทำบาป ก, กัน อยากได้เงินได้ทองทำมาหากินเงินเดือนก็ไม่พอใช้บ้างหรือตกงานบ้าง<ม>ก็อาจจะทำให้ต้องไปหาทำอาชีพที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไปไปโกหกหลอกลวงไปช่โกงไปลักขโมยหรือแม้แต่ไปปล้นไปจีก้ก็อาจจะต้องทำสาหรับคนบางคนเพื่อที่จะได้ เอาเงินนาทองมาซื้อความสุขต่างๆไปแต่ความสุขที่ได้กับโทษที่ตามมานี้มันไม่คุ้มค่ากันเพราะว่าบาปที่เราทำนี้มันมีผลจะตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วผลที่ได้รับในขณะที่มีร่างกายก็อาจจะไม่แน่นอนบางทีเราทำบาปแล้วทาผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะเล็ดลอด หบนีได้หรือสามารถที่จะใช้อิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่งทําให้เราไม่ต้องไปรับโทษในคุกในตารางก็ได้แต่โทษที่จะเองต้องไปรับต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี้ไม่มีอิทธิพลอันใดที่จะมาทําให้ไม่ต้องไปรับโทษได้ทําบาปแล้วไม่ช้าก็เร็วบาปนี้ก็จะต้อง ส่งผลให้กับจิตใจของผู้กระทำบาปเวลาตายไปก็อาจจะต้องไปเกิดในอบายกันมีสถานสีที่ด้วยกันที่จะไปเกิดเนื่องจากการกระทำบาถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงที่ว่าเป็นการทาเพื่อเลี้ยงชีพเป็นการทำเพื่อเอาเอาชีวิตให้รอดอย่างนี้เช่นทำอาชีพ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ด้วยการฆ่ากันอยู่ด้วยกันเพื่อเพื่อที่จะเอาตัวรอดของตนด้วยการฆ่าสัตว์ที่เล็กกว่าสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กไปถ้าเป็นมนุษย์แล้วมาทำอาชีพเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไป เวลาร่างกายตายไปใจก็จะต้องไปชใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นสัตว์มิลชาค่าสัตว์กี่ตัวก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์กี่ครั้งเท่านั้นเท่าเท่ากับครั้งที่เราค่าค่าร้อยตัวเราก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์อย่างนั้นร้อยร้อยครั้งเกิดมาเพื่อให้เขาค่าเราแลกเปลี่ยนกันใช้กรรมกันไป จนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็อาจจะต้องรอเป็นเวลาอันยาวนานแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายัางไม่รู้ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้มาเกิดเพื่อมาเติมน้ามันก็จะกลับมาทำตามที่เคยทำในอดีตชาติคือมหาลาบยศสรรเสริญมหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายด้วยวิธีการกระทาบาปต่าง ถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีไม่ต้องทำบาปก็จะใช้วิธีทำบาปหรืออาจจะชอบใช้วิธีทำบาปก็ได้เพราะการใช้การทำบาปหาสิ่งที่เราอยากได้นี่มันหาได้ง่ายหาได้เร็วหาได้มากกว่ากว่าวิธีที่ไม่ต้องการที่ไม่ต้องกระทำบาปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปด้วยเคยทำบาปพอกลับมา พอไปพอตายไปไปใช้ผลบาปพอผลบาปหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาทําบาปใหม่อีกเพราะมันเป็นกลายเป็นนิสัยไปจะหาความสุขจากลาบยศสารเสริเสือเสืสจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหาโดยวิธีทําบาปเราคงจะเห็นคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่ชอบมีแต่ทําบาปไปเรื่อยๆเพราะนั้นเป็นนิสัยของเขา เขาเขาเคยทำมาอย่างไรมันก็ติดฝังเป็นนิสัยไปอยู่เรื่อยๆแต่นิสัยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่แก้ได้ถ้าเกิดเขาไปพบกับคนดีแล้วมีคนดีสอนให้เขาเห็นโทษของการกระทําบาปหรือเขาอาจจะเห็นโทษของการกระทําบาปของเขาเองแล้วอยากจะเปลี่ยนวิธีเขาก็อาจจะสามารถเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนนิสัยของเขาได้ แต่ต้องฝืนเพราะเคยทําอะไรแล้วมันจะถนัดกับการกระทําอย่างนั้น mm hmm. เช่นเราถ้าเราถนัดการใช้มือขวาเนี mm ่ย hmm. เรามาเกิดแต่ละครั้งเราก็จะมาใช้มือขวากัน mm hmm. ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายนี่ mm hmm. เราต้องฝืน mm hmm. เช่นถ้าเกิดมือขวาเราเสียใช้งานไม่ได้ mm hmm. เราก็ต้องมาฝึกใช้มือซ้ายใหม่เริ่มต้นใหม่ mm hmm. ตอนที่ฝึกใหม่ๆก็จะรู้สึกยากลําบากเพราะไม่ถนัดแต่ด้วยความจำเป็นว่าถ้าไม่มีมือขวาก็ต้องใช้มือซ้ายก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะสามารถใช้มือซ้ายได้เหมือนกับใช้มือขวาพอเริ่มเกิดความชินกับการใช้มือซ้ายเกิดความถนัดขึ้นมานั่นเองฉันใด ถ้าเราติดอยู่กับการกระทำบาปแต่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเห็นว่าการกระทำบาปนี้มันให้โทษมากกว่าให้คุณกับเราถ้าเราอยากจะฝืนอยากจะเปลี่ยนก็ได้ห้ามหาข้ามจิตใจยอมใช้ความอดทนอดกัน้นมีไรายได้น้อยก็อยู่ไปตามตามสภาพของเรา อ, อย่าไปอยากมีเงินมีทองมากมายมเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขต่าง เพ่ก็เป็นความสุขเชื่อประเดียวประดา้าได้มาแล้วเดียวมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่อยู่เรื่อยๆถ้าเราเห็นมีความเห็นอย่างนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้เคยชอบทำบาปก็พยายามฝืนเพราะเชื่อว่าผลบาปนี้มันเป็นความทุกข์กับเราให้ความทุกข์กับเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ และทั้งในขณะที่ร่างกายของเราตายไปแล้วใจของเราก็จะต้องไปรับผลบาปต่อไปจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทาบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้แล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆก็ต้องไปเกิดเป็นดวงวิญญาณจะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยอยู่อย่างไม่มีความสุข อยู่กับความหิวโหวยไปเหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่มีปากเท่ารูเข็มท้องเท่ากับท้องเท่ากับโอ่งนี่น้ำน้ำเลืออาหารที่เข้าทางาทางรูเข็มนี่มัเข้าได้ทีละเล็กเน้อยยากต่อการที่จะทําให้ท้องที่เป็นขนาดโอง่งนี่มันเต็มได้มันอิ่นได้นี่ก็คือลักษณะของดวงวิญญาณของผู้ที่ทํำบาปด้วยความโลภอยากได้อะไรมากๆ หามาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็เลยใช้วิธีทุจริญช่อกงหลอกลวงที่เราได้ยินเห็นได้ขา่าวได้ยินข่าวกันอยู่ทุกวันนี้มีการช่อกงหลอกลวงคนเอาเงินของเขามาลงทุนแล้วว่า จ, จะตอบแทนให้เขาท่านนั้นทัานนี้แต่พอถึงเวลาก็หายเข้ากิ่งเม่ไปอันนี้ถึงแม้อาจจะไม่ถูกจับติดคุกติดตารางแต่ดวงวิญญาณของ ของเขานี้จะกลายเป็นเปรตจะมีแต่ความหิวโหยตลอดเวลาเพราะสิ่งที่เขาได้ไปหลอกลวงมานี้ไม่สามารถทำให้เขาอิ่มได้ไม่สามารถทำให้ใจเขาอิ่มได้ได้ ไ, ดไปจีร้อยล้านมันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่พอได้มากก็ อ, อกไปใช้มากใช้มากเดี๋ยวมันก็มันก็หมดไม่พอใช้นี่คือถ้าททำบาปด้วยการทด้วยความโลภ ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย<ม>ช่วงที่ไม่มีร่างกายนี้ก็จะอยู่แบบหิวโหยไปเรื่อยๆเ<ม>พราะไม่ไม่สามารถไปหาสิ่งที่เคยหาได้โดยในขณะที่เป็นมนุษย์นั่นเองแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายเราเราก็เลยทำร้ายเขาก่อน<ม>ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว ม, มีแต่เรื่องหวาดกลัวมาคอยหลอกล้อจิตใจอยู่เรื่อยๆ ถ, Buddha, ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทด้วยความโกรธแค้นก็จะถูกไฟของความโกรธแค้นเผาผานจิตใจเผาผานดวงวิญญาณไฟที่เผาผานดวงวิญญาณนี้เราเรียกว่านรกทำบาปถ้าทําบาปด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตพยาบาทดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยไฟของนรกเผาผานอยู่หาความสุขไม่ได้ นี่คือสภาพของจิตใจที่จะเกิดขึ้นถ้าขณะที่มีชีวิตอยู่มาหลงและเิงกับการหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยวิธีการกระทำบาปต่างๆพอหมดบาปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะติดนิสัยเดิมมาก็จะมาทำบาปแบบเดิมอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวันใดวันหนึ่งเกิด เห็นโทษของการกระทำบาปขึ้นมาอาจจะเป็นเห็นด้วยตนเองก็ดีแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำของพระอาริยสงสารวก็ดีก็อาจจะทำให้เกิดมีความเห็นโทษของการกระทำบาปเกิดความกลัวบาปมีฮีลีโอ ต, ตะปะเกิดขึ้นมาก็ได้ mm hmm. ยิ่งถ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวก ท่นก็จะสอนท่านจะบอกโทษของบาว่ามันจะเกิดขึ้นได้สองลักษณะทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแล้วถ้าได้พบกับคำสอนอันประเสริฐก็อาจจะเกิดศรัทธาอยากที่จะกลับตัวเองกลับใจกลับตัวเองก็พยายามที่จะรักษาศีลจะไม่ทำบาปอีกต่อไปต่อไปบาปก็จะไม่มี ผลที่จะมาส่งให้ดึงให้จิตใจไปเกิดในอบายถ้าตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยถ้าไม่ได้ทำบาปไม่มีบาปที่จะดึงใจให้ไป mm. อ่นี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทากันในขณะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้ ใจิตใจของเรานี้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือบ้านของเราบ้านของใจบ้านของดวงวิญญาณของเราที่มีแต่ความสุขที่พระองค์เจ้าเรียกว่าพา น, นิพานนี้ได้อย่างไรหน้าที่ของเราไม่ใช่มาเกิดเพื่อมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์ต่างๆเพราะมันจะทำให้เรา กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดคอยเสพยามถ้าเสพอะไรพอติดแล้วมันจะกลับไปหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆ เ, เสพไปแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปพอหมดก็อยากจะเสพใหม่ก็กลับไปหามันใหม่อยู่เรื่อยๆ เ, เสพไปจนวันตายพบหน้าชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็จะกลับมาติดยาเสพติดใหม่อยู่เรื่อยๆ ก็จะไปไม่ถึงไหนทั้งสินก็จะติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดของการมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญมาทำบาปถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้บาปในอาบายอีกถ้าไม่ทำบาปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมยังมาหาความสุขจากลาบยศจะรเริญจากรูปเสียงกลิ่นลอยู่ก็จะกลับมาหาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆ เกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะให้การเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดลงหน้าที่ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือต้องมาเติมบุญกันบุญนี่แหละคือน้ำมันชนิดต่างๆที่จะพาให้จิตใจหรือดวงวิญญาณของเราได้เดินทางไปสู่บ้านของเราที่ปลอดภัยที่ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องติดอยู่บนท้องถนน ไม่ต้องคอยจอดแวะตามสถานีบริการอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเรามีแผนที่เรารู้ทิศทางของเราที่เราจะไปสู่บ้านของเรนี้ต้องไปอย่างไรเราก็จะไม่แวะหาความถ้าเราแวะเติมน้ำมันเรากแ็แวะสถานีบริการเราก็จะแวะแค่เติมน้ำมันเราจะไม่อยู่ที่สถานีบริการหาความสุขจากสิ่งที่สถานีบริการให้กับเราได้ เพามเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอยเป็นความสุขชั่วคราวเพื่อบรรเทาให้กับผู้เดินทางผู้เดินทางไกลจะได้มีที่บรรเทาความทุกข์บ้างเช่นมีห้องน้ําห้องท่าอะไรต่างๆมีอาหารการกินพอที่จะดับความหิวได้ชั่วคราวแต่จะไม่ได้ให้ความสุขความปลอดภัยบรรเทากําจัดความทุกข์ให้กับ ผู้เดินทางได้อย่างถาวรต้องเดินทางไปให้ถึงบ้านของตนก่อนถึงจะได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรความทุกข์ที่ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจสิ่งที่เราจะต้องมาทำเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือเบื้องต้นเราก็ต้องหยุดพฤติกรรมถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปเราก็ต้องหยุดเลิกทำบาป ก, กันถ้าเรายัง มีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากราบยศฉลเสริญก็อย่างน้อยก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำโดยวิธีทำบาปเพื่ออย่างน้อยใจเราจะได้ไม่ต้องไปรับโทษในอบายแต่ถ้าทางที่ดีได้ท่านที่จะมาหาความสุขจากราบยศฉลเสริญสุขกันเราควรที่จะมาหาหาความสุขจากการทำบุญกันดีกว่า เพราะการทำบุญนี้แหละจะเป็นตัวที่จะพาให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันก็คือไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่เราจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปบุญที่เราจะต้องทำก็มีอยู่ สมขั้นด้วยกันบุญที่เกิดจากการทําบุญทําทานถ้าเรามียังมีเงินเหลือใช้เหลือกินอยู่ก็เอาเงินที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้มาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเพราะเวลาเราทําบุญแล้วใจเราจะมีทรัพย์ภายในขึ้นสะสมบุญคือทรัพย์ภายในที่เราจะใช้ในขณะที่ร่างกายเราตายไปเวลาร่างกายตายไปถ้าเรามีบุญอยู่ในใจ บุนี่แหละที่จะพาให้เราไปอยู่ในสวรรค์อสวรรค์ชั้นเทพที่เป็นที่ที่มีความสุขถ้าเรายัางไปไม่ไม่ถึงบ้านเราก็อย่างน้อยก็ขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็จะมีดวงวิญญาณที่มีความสุขแล้วพอบุญหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราเคยมีนิสัยชอบทําบุญเราก็จะกลับมาทําบุญใหม่ เราก็ถ้าเรายังติดอยู่แล้วก็ยังติดอยู่ในในการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีภพที่เรียกว่าสุคติภพที่มีแต่ความสุขกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีเป็นคนดีมีศีลมีธรรมใจบุญสุนทานไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําบาปทํากรรมทําแต่บุญขณะเป็นมนุษย์ก็มีความสุขในระดับหนึ่งเวลาตายไปก็ไปเป็นเทเ ถ้าเราอยากที่จะเดินทางต่อไปให้ไกลกว่าชั้นเทพเราก็ต้องมีการทำบุญอีกชนิดหนึ่งบุญชนิดนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกสตินั่งสมาธินี่เองโือการทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้เป็นฌานขึ้นมาเพราะถ้าเราสามารถทำใจให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาได้เราก็จะเดินทางไกลใกล้บ้านของเราเข้าไป จากพบมนุษย์ก็ไปเป็นเทพจากพบเป็นเทพถ้าเราได้ความสงบเราก็จะไปอยู่พบของพรหมพบของพรหมก็มีแบ่งไว้สองระดับระดับรูปประรมกับอรูปประรมขึ้นอยู่กับสมาธิหรือฌานที่เราสามารถปฏิบัติถึงได้ถ้าเราได้รูปฌานเราก็จะไปถึงสวรรค์ชั้นรูปชั้นรูปรูปประพรมถ้าเราได้อรูปฌปานเราก็จะได้สวรรค์ที่สูงกว่า สวรรค์ของรูปประชานคือสวรรค์ของรูปประพรมทำให้เรายิ่งอยู่ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆแล้วพอเราถึงขั้นพรมแล้วถ้าเราอยากจะให้ไปถึงนิพพานเราก็ต้องผ่านขั้นของพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆการที่เราจะเข้าสู่ระดับของพระอริยบุคคลได้เราก็ต้องใช้ปัญญา <Yeah. S 2> บุญที่เกิดจากการมีปัญญา บุญที่เกิดจากการเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าปัญญาเป็นบุญขั้นสุดท้ายที่จะพาให้เราได้เข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าเราได้เพียงแต่ขั้นขั้นของเทวดาของเทพเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นเทพกับเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราได้ขั้นของพรหมเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดระหว่างความเป็นพรหมกับความเป็นมนุษย์อยู่ แล้วถ้าเราได้ขั้นพระอริยะบุคคลเราก็จะเวียนไหวตายเกิดในขั้นของพระอริยะบุคคลจนกว่าเราจะถึงขั้นสูงสุดคือขั้น ข, ข, ของพระอราหารันต์เมื่อเราได้ถึงขั้นพระอราหันต์แล้วเราก็จะถึงพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ถือว่าเราได้ไปถึงบ้านของเราอย่างปลอดภัยเมื่อถึงบ้านแล้วเราก็สบายไม่ต้องเดินทางอีกต่อไปเพราะที่บ้านเรานี้มีอาหารมี สิ่งอำนวยความสุขให้กับใจเราตลอดเวลาไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมด <S <S 2> <S 2> นี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ว่าการเกิดของเรามานี้เรามาเกิดเพื่ออะไรเรามาเกิดเพื่อมาเติมน้ำมันคือเติมบุญชนิดต่างๆการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เหมือนกับการได้จอดแวะตามสถานีบริการต่างๆเพราะเป็นภพของมนุษย์เท่านั้นที่เราจะสามารถมาสร้างบุญชนิดต่างๆได้ ถ้าเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดนายบายแล้วก็ไปรับโทษเหมือนกับคนที่ไปติดคุกติดตารางเมื่อไปติดคุกติดตารางก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะไปเติมน้ํามันให้กับรถได้ต้องรอให้ออกจากคุกจากตารางก่อนแล้วค่อยออกมาเติมน้ํามันต้องรอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถ้าทําบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานทําฆ่าสัตว์จี่ตัวก็ต้องกลับมาไปเกิดเป็นสัตว์ เท่นันครั้งตามที่เราได้ค่าถ้าค่าเยอะๆก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนานขึ้นไปเรื่อยๆอย่างถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราหน้าที่ของเราคือเราเป็นนักเดินทาง<ๆ>เรากําลังเดินทางกลับบ้านแต่เราเดินทางแล้วหลงทางกันถูกสิ่งที่มีอยู่ตามทางนี้หลอกล่อจิตใจเราให้หลงติดอยู่ก็คือลาบยศฉรเสริญ น, นับความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายนี่เอง ที่มันคอยหลอกล่อเราให้เรายึดให้เราแสวงหามันอยู่เรื่อยๆโอยที่ไม่รู้ว่ามันกำลังหลอกให้เราติดอยู่ที่สถานีบริการคือติดอยู่กับการมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะเอาสถานีบริการนี้ใช้เป็นการเติมน้ามันก็มาหาความสุขจากสถานีบริการที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆ ความสุขที่ได้จากราดยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์นี้ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับความสุขที่เราจะได้จากการที่เราได้เดินทางกลับถึงบ้านของเรานี้มันต่างเหมือนกันเหมือนฟ้ากับดินนะงั้นอย่าไปหลงติดอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆตามสถานีบริการให้เราคิดถึงความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เดินทางถึงบ้านของเราที่ปลอดภัยบ้านที่มีแต่ความสุข ให้กับเราตลอดเวลานี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าการมาเกิดของเรานี้มาเกิดเพื่ออะไรเกิดเพื่อมาเติมบุญแล้วก็ปิดประตูบายด้วยการไม่กระทำบาปไม่ต้องไปติดคุกติดตารางเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจะได้ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายถ้ายังไปถ้าเตมบุญก็แล้วแต่ว่าเราจะมีกำลังกาลังซื้อบุญชนิดไหน ถ้าเรามีกำลังซื้อบุญด้วยการทำบุญทำทานเราก็จะได้บุญเราก็จะได้สวรรค์เราก็ได้เดินทางออกจากภพมนุษย์ไปใกล้บ้านเราเข้าไปอีกหน่อยอแล้วถ้าอยากจะเข้าไปใกล้บ้านเราขึ้นไปเราก็ต้องทำบุญชนิดที่สองคือการทำจิตใจให้สงบฝึกสมาธินั่นเองทำจิตใจให้เข้าฌานให้ได้เอาลู ป, ประชานก็ได้อารูปประชานก็ได้ถ้าเข้าลูล ป, ประชานหรอารูปประชานได้ ใจเราก็จะอยู่ใกล้เดินทางใกล้บ้านเราเข้าไปอีกพอเราได้รูปรรประชานะรูปประชาแล้วเราก็มาศึกษาทางปัญญามาดูมาหาสาเหตุของการที่อะไรที่พาให้เราต้องวกกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนั่นเอง mm hmm. ในอริยสัตสี่การที่เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในภพของมนุษย์อยู่เรื่อยๆก็เพราะเรามีความอยาก อยากหาความสุขอากการเสพราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่เราก็ต้องตัดอย่าไปหาความสุขอย่าไปเสพทุกครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้มาทำบุญทำทานรักษาศีลมาภาวนาอย่าเอาเวลาไปให้กับการหาราบยศสรรเสริญจากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนอกจากการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถต้องทา เพราะว่าเราต้องมีร่างกายที่เราต้องดูแลเราก็ต้องมีรายได้ mm. แต่การทานเงินของทองของเรานี้ไม่ได้หาเงินมาเพื่อไปเอาเงินทองไปเที่ยวกัน mm. ไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปซื้อของอะไรต่างๆมาให้ความสุข mm. แต่เอาเงินทองนี้มาเลี้ยงดูร่างกายด้วยการซื้อปัจจัยสี่ที่เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการให้ร่างกายนี้อยู่ได้เ mm. พราะเราอย่างต้องพึ่งร่างกายในการทาบุญชนิดต่างๆนั่นเอง mm. ถ้าเราทำมาหากินแล้วเรามีรายได้มากมากกว่ารายจ่ายคือรายจ่ายที่เรามาใช้ก็คือแค่ปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงดูล่างกายแล้วถ้ามีเหลืออยู่เราก็เอาเงินทองที่มีเหลืออยู่นี้ไปทำบุญทาทานแทนที่จะเอาไปกินไปดื่มไปหาความสุขมันก็จะทำให้เราติดในราบยศสรรเสริญแทนที่เราจะออกจากภพการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะทาให้เราติดถ้าเรายัง ใช้เงินไปหาความสุขจากลาบยศสรารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ให้อเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญทําทานเสียเอก็อใจเราจะได้ไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากได้ลาบยศสรารเสริญเมื่อเราไม่มีความอยากได้ลาบยศเนื้อมีน้อยลงมันก็จะทําให้เราพอที่จะดึงใจของเราให้ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ก็คือความสุขจากการทําใจให้สงบเป็นการ พาจิตใจของเราให้เดินทางเข้าไปใกล้บ้านของเราขึ้นไปบ้านของเราต้องผ่านผ่านชั้นเทพผ่านชั้นเทพด้วยการทาบุญทาทานผ่านชั้นพรมด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิแล้วผ่านชั้นพระอริยบุคคลด้วยการเจริญปัญญาถึงจะทำให้เราได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางคือบ้านของเราที่มีแต่ความสุขที่ปราศจากความทุกข์ที่ปราศจากการเดินทางอีกต่อไป เพราะเรามีเงินมีทางเหลือกินเหลือใช้แทนที่เราจะไปเที่ยวกันเช่นช่วงนี้มีวันหยุดห้าวันนี้เราก็เอาเงินที่เรามีนี้มาหาความสุขจากการทำบุญทำทานแล้วถ้าเราอยากจะไปไกลกว่าสวรรค์เริ่มบุญที่เราได้จากการทำบุญทำทานอยากจะมาฝึกสติมาฝึกสมาธิเราก็สามารถทำควบคู่กันได้ ช่วงหยุดถ้าวันเรามีเวลาว่างที่เราจะได้ไปฝึกสตินั่งสมาธิตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆพร้อมกับการทำบุญกับสถานที่นั้นไปด้วยกันเราก็จะได้ทาเราก็จะได้เดินทางใกล้บ้านเราเข้าไปทำบุญทำทานเพื่อให้ไปสวรรค์ชั้นเทพจากชั้นเทพเราก็ไปหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิเพราะถ้าเราเลิกใช้เงินหรือไม่ใช้เงินไปหาความสุข อย่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมันก็จะเป็นการง่ายสําหรับที่เราจะไปฝึกสตินั่งสมาธิเพราะการที่เราจะเข้าสมาธิได้เราจะต้องไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองผู้ที่ไปฝึกสติไปฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ฌานขั้นต่างๆนี้จําเป็นที่จะต้องรักษาสินแปดกันเป็นอย่างน้อยศินห้านี้มีกําลังไม่พอที่จะ ยับยั้งใจให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายได้ต้องถือศีลแปดพอถือศีลแปดแล้วศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้ไปทำพฤติกรรมทางกา ร, รทางรูปเสียงกลิ่นนสนพธะนั่นเองอถ้าเคยเสบร่วมเสพกามร่วมหลับนอนกับแฟนเวลาไปปฏิบัติธรรมก็ต้องก็ต้องละเว้นการการเสพกามด้วยการเพิ่มหลับนอนกับแฟน เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแทนแล้วก็ไม่ให้กินอาหารมากเกินไปเพราะการกินอาหารมากเกินไปก็จะทําให้ไม่มีเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิอย่างไม่มีปัญหาถ้าเรายังกินอาหารตามใจอยากอยู่เดี๋ยวเวลาจะนั่งสมาธิก็นึกถึงอาหารก็เปลี่ยนไปถ้าเนี่ยไม่นั่งสมาธิก็ไปหาอาหารกินหาขนมกิน มันก็จะมาคอยรบกวนการปฏิบัติของเราก็ต้องกินตามเวลาเช่นไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็กินไม่ให้มากไปเพราะการกินมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการมาฝึกสตินั่งสมาธิเพราะจะเกิดความง่วงเหงาเหานอนนั่งแล้วสับะงกบ้างนั่งแล้วหลับบ้างหรือไม่อยากจะนั่งบ้างเพราะความเพราะอยากจะนอนเยอะมากกว่าก็เลยต้องลดการบริภโภคอาหารลง ให้กินพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอเพื่ อ, เ พ, อเพื่อดับความหิวของร่างกายแต่อย่า ก, กินเพื่อความอยากเพราะความอยากนี้มันกินเท่าไหรมไม่มันก็ไม่มันมน ม, มันก็ไม่พออันนี่คือมาตรการที่เราจะต้องใช้คือเราต้องละา ก, การหาความสุขจากการกามาคุณทั้งห้าทางทางทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไม่เสพร่วมหลับนอนกับใคร ด้วยการรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อเพื่อความอยากแล้วก็งดการหาความสุขจากมหัศลศพบันเทิงต่างๆการดูหนังฟังเพลงร้องนาทําเพลงหรือความสุขที่ได้จากการเสริมสวยความงามของร่างกายก็ต้องหยุดพฤติกรรมเหล่า น, นี้กิจกรรมเหล่า น, นี้เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับกิจกรรมเหล่า น, นี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ แล้วก็ต้องไม่นอนมากเกินไปนอนเพิยมเกินละสี่ห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะนอนไม่มากก็ต้องนอนบนพื้นที่ไม่สบายนอนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อพอเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็จะได้ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายแต่ถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกนะั่นนที่สุขที่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้ว ใจก็จะไม่อยากรุบใจอยากจะนอนต่อก็จะนอนเพิ่มไปอีกหลายชั่วโมงโดยที่ทําให้เวลาอันมีค่าของการภาวนาหมดไปอันนี้คือมาตรการของผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานจากจากสวรรค์ชั้นเทพจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมได้นี้ต้องละกิจกรรมทางก ร, รมเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเนคขมะ เป็นศรัทธา ญ, ญาโยมที่ไปนุ่งขาวห่วมขาวตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆตามวัดวาต่างๆนี้ก็ไปปฏิบัติเนธขมมะนี่เองไปละเว้นจากละเว้นการหาความสุขทางกามทางตาหูจมูกิ้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาให้เจริญสตินั่งสมาธิเพื่อหาความสุขทางการทำใจให้สงบเพราะความสุขที่ได้จากการทาใจให้สงบนี้ เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะทำให้เราไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเมื่อเราไม่ติดแล้วเราก็จะได้ตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปแต่ก็ยังไม่ได้ตัดได้อย่างถาวรเพราะว่ากาลังของสติกาลังของสมาธินี้หยุดความอยากได้ชั่วขณะขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบ เวลาเราควบคุมจิตไม่ให้คิดไม่ไม่ให้คิดตุงแต่งไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสพราะจิตสงบปั๊บความความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหายไปพอเราได้พบกับความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการเส็บรูปเสียงกลิ่นรสแต่เป็นความสุขชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังอาจจะมีอยู่ยังมีอยู่ ถ้าไม่อยากจะเสพก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่หรือถ้าไม่อยากกลับเข้าสมาธิใหม่อยากจะกำจัดความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็ต้องใช้ปัญญาอันนี้เราก็จะต้องไปขั้นสุดท้ายของการทำบุญก็คือหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วเราชนานาญในการเข้าออกในสมาธิแล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิมาพอความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมา เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆดันั้นเราต้องพยายามฝืนความอยากหยุดความอยากให้ได้ในการที่เราจะฝืนความอยากหยุดความอยากที่ยังมีอยู่ในใจของเราให้หมดไปอย่างถาวรได้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถทาให้มันเป็น ความสุขอย่างถาวรให้ความสุขกับเราเป็นของเราอยู่กับเราไปได้อย่างถาวรมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันจางหายไปหมดไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราเหงา <Ừ. S 1> ให้เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้เช่นเห็นโทษของกามมัสุขเห็นโทษของความสุขที่เราได้จากการเสพการเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็หมดหมดแล้วมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราเหิว ก็จะทำให้เราต้องกลับไปหามันอยู่เรื่อยๆพอตายจากภพนี้ก็จะกลับไปเกิดภพใหม่ถ้าเรายังเสพกามอยู่เราก็จะติดอยู่ในกามมาพบนะเวียนว่ายตายเกิดพอมีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอร่างกายแก่เจ็บตายไปเราก็ไปรอรับร่างกายอัใหม่ก่อนจะไปรับร่างกายอใหม่ก็เองไม่รู้อีกเ ม, มื่ อ, อไหร่เขาอาจจะได้ร่างกายแต่ละครั้งมันก็เป็นเวลาอันยาวนาน ช่วงนั้นก็อาจจะไปรับผลบุญก่อนหรือถ้าไปทำบาปก็ต้องไปรับผลบาปก่อนแล้วพอถึงเวลาก็ไปเข้าคิวรอรับร่างกายแล้วแต่ว่าจะมีร่างกายมากน้อยให้รอกันมากน้อยเพียงไ่อาจจะรอนานหน่อยอาจจะรอช้าหน่อยก็แล้วแต่แต่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อที่จะมาเสพการใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่าถ้าเราไม่อยากจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดในกรรมมาพบอีกต่อไป เราก็ต้องกําจัดความอยากเหล่า น, นี้ด้วยการเห็นโทษของมันเห็นว่ามันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะกรรมาคุณห้าที่ให้ความสุขกับเรามันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นเหมือนควันไฟเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถาน ท, ที่ต่างๆเวลาเที่ยวตอนนั้นก็มีความสุขพอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวนั้นก็จางหายไป ทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกอยากจะไปเที่ยวใหม่เราก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆทเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทเที่ยวไปจนวันตายก็ไม่พอก็ต้องกลับมาเกิดเพื่อที่จะมาเที่ยวใหมอ่อย่นี้อยู่เรื่อยๆให้เราเห็นโทษว่ากรารมคุณนี้รูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุม บ, บังคับ ให้มันให้ความสุขกับเราได้อย่างยั่งยืนถาวรมันไม่ใช่พานิพานการมาพบนี่ไม่ใช่การมาคุณห้านี่ไม่ใช่นิพานไม่ได้ทำให้จิตสงบให้จิตมีความสุขอย่างยังย่งยืนถาวรพอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะละการมาพบได้ละการมตัณหาได้เพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขแล้วเราก็จะไปติดอยู่ที่รูปประจานะรูปอรูปปัะจานต่อไป รูปรชาญก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันให้ความสุขในขณะที่เราอยู่ในความสงบอยู่ในอยู่ในฌานพอออกจากฌานมาความสุขนั้นก็หายไปความหิวอยากจะเสพอยากจะเข้าฌานใหม่ก็กลับมาอีกเราก็ยังต้องกลับเข้าเข้าฌานไปเรื่อยๆเราก็จะติดอยู่ในพรห ม, มโลกอยู่ติดอยู่ในสวรร์ชั้นรูปประรมหรือรูปประรมถ้าติดรูปรชาญก็จะกลัมาเกิดในรูปประพบในรูปประรมถ้า ติดในอรูปฌานก็จะกลับมาเกิดในอรูปภพมาเป็นอรูปปฐมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ารูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องให้เรามันก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาเวลามันเสื่อมเวลามันหมดไป แล้วเราก็ห้ามมันไม่ให้เสื่อมม่ให้ันหมดไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งห้ามมันไม่ได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นตายรักษณ์เราก็หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากทั้งสามได้หยุดกามตัณหาความอยากเสพกามได้เราก็ไม่ไปเกิดในกามมาพบหยุดการเสพรูประฌานได้เราก็ไม่ไปเกิดในอรูปปุรูปปภพ หยุดการเสพอรูปฌานได้เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอรูปภพเมื่อไม่มีเมื่อ ไ, ไม่ไปเกิดในตายภพเราก็ออกจากสังสารวัตออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไปอยู่ที่พัฒนิพานแทนผู้ที่ไปหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาได้นี้คือขั้นพระอริยขั้นที่สี่ท่านนั้นคือขั้นพระอรหันต์ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ท่านยังยังมีกามตัณหายังติดกามอยู่ พระโสะดาบันกับพระสะกิดาคามีนี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ภพชาติจะน้อยลงไปแล้วพระโสะดาบันนี้เหลือไม่เกินเจ็ดเจเจ็ดภพเจ็ดชาติพระสะกิดาคามีเหลือเพียงชาติเดียวที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพระนาคามีนี้ไม่สามารถกําจัดการมตัญหาความอยากเสพกามได้หมดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไม่ติดเต็ดรูปประชานหรืออรูปประชานอยู่ก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรม พอพอพอกำจัดความอยากเสพรูปประชานหรืออรูปประชานได้หมดไปก็จะขึ้นเป็นสู่ขั้นที่สี่คือขั้นพระอาหารหันต์พอเป็นขั้นพระอาหารหันต์นี้เป็นจิตใจที่ไม่มีความโลภความไม่มีกรารมตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาไม่มีความอยากเสพการไม่มีความอยากเสพรูปประชานไม่มีความอยากจะเสพเอารูปประชานหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมา ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้กันว่าชีวิตของเราการที่เรามาเกิดของเราเป็นมนุษย์นี้เรามาเกิดเพื่อเพื่ออะไรกันแน่เพื่อมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากราบยศสารเสรนญจากรูปเสียงจิตกั ที่เป็นความสุขชั่วคราวในขณะที่เรามีร่างกายเทนั้นเองพอร่างกายเราเสื่อมไม่สามารถใช้ร่างกายหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพด้วยได้เราก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเศร้าเวลาคนแก่คนเจ็บคนตายนี้ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ เพะไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นลดตามที่เคยอยากเคยเสบได้นั่นเองให้เห็นโทษของมันเราอย่ามาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขเรามาเติมน้ำมันบุญกันเพราะน้ำมันบุญนี่จะพาให้เราเดินทางไปสู่บ้านของเราคือพระนิพพานทําบุญทําทานเราก็จะไปไปถึงไปถึงในระดับหนึ่งไปถึงสวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็ไปศึกไปบวชไปปฏิบัต เป็นนักบวชกันถึงศีลแ ป, ปฏิบัติเนคขมะนั่งสตินั่งสมาธิกันฝึกสตินั่งสมาธิเราก็จะได้ฌานเราก็จะไปก็ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมจากสวรรค์ชั้นพรหมเราจะไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานเราก็ต้องใช้เจริญปัญญาพิจารณาอริยสัจสี่ให้เห็นว่าความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เกิดจากความอยากสาระการ คือการมาต ah, ah, ัณหาภาวะตัณหาทีภาวะตัณหาความอยากเสพการความอยากเสพรูปประชานความอยากจะเสพแล้วลูปประชานเราก็ต้องละความอยากเหล่านี้ให้หมดด้วยการเห็นปลายลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกามรมคุณในรูปประชานในรูปประชานพอเราเห็นทุกข์เราก็จะไม่มีความอยากที่จะเสพสิ่งเหล่านี้ต่อไปเราก็จะหายจากโลกที่ติดยาเสพ ต, ติดทั้งสามชนิดนี้ เมื่อเราไม่เสพแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปหามันอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจเราก็อยู่ที่พระนิพพานแทนอยู่ที่มีแต่ความสุขเราได้เดินทางถึงบ้านของเราที่ปลอดภัยที่เต็มไปด้วยความสุขเราก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้ที่สอนใจเราอยู่ได้เรื่อยว่าเราไม่ได้มาหาความสุขชั่วคราวจากลาบยศสรเสริญสุข เรามาเติมน้ํามันบุญต่างๆเพื่อที่จะพาให้เราไปถึงบ้านที่มีความสุขอันยิ่งใหญ่บ้านที่พระพุทธเจ้าและพาาระอาลัยสาวกท่านได้เดินทางไปถึงกันแล้วท่านก็กลับมาบอกพวกเราวิธีที่จะทําให้เราเดินทางไปถึงบ้านที่แท้จริงของเราคือการทําทานการรักษาศีล<ม>การปฏิบัติทรรนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วจะทําให้เราสามารถที่จะพาให้จิตใจของเรานี้ ไปสู่บ้านที่แท้จริงบ้านที่มีแต่ความสุขและจะไม่ต้องเดินทางไปไหนอีกต่อไปอ น, นี้ก็คือสิ่งที่เราคนที่จะมาคิดพิจารณากันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราก็จะถูกกิเลสหลอกให้เราไปหาความสุขแบบชั่วคราวไปเรื่อยๆต้องนึกบ่อยๆว่าเรามาเกิดเพื่อมาทําบุญแล้วเราต้องทําแข่งกับเวลาเพราะชีวิตของเรามันสั้นลงสั้นลงทุกวัน เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจะเดินทางเราจะใกล้ความแก่ใกล้ความเจ็บใกล้ความตายไปเรื่อยๆยังขณะที่เรามีมีกําลังวังชามีชีวิตอยู่นี้ให้รีบทําบุญเสียให้เสร็จก่อนหรือให้เติมน้ํามันรีบเติมน้ํามันก่อนกอรที่ปั๊มเขาจะปิดพอเขาปิดปั๊มแล้วจะขอเติมน้ํามันเขาบอกเสียใจต้องรอพรุ่งนี้เป็นต้น น, นี้คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้และนำไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ไปถึงบ้านอันแท้จริงของเราบ้านที่มีแต่ความสุขคือพระนิพพานชิ่นสุดแทนการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปูราภะริปุเรนติสากระัง เอวามวะอิโตจินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่ามวะสมิจฉะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยทาเมณิโชติอละโยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลควินาศตุ มาเตภวะตะวันตรายูสุขีธิขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวัานติอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะมีการถามตอบคำถามกันเพราะหลังจากเรื่องแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามาถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามจากทาง Facebook ค่ะส9งรจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติไ i ฟ e ส3 3ยสามสิบสาูทูด็อเตอร์วีิจวิทยุออนไลน์16 c l u คลับฮาส์สจากนากุติหนึ่ง้ายเจ็ิบห้ารวมทั้งหมด869อยหสิค่ะ mm. คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะ จิตที่เคยคิดอกุศลจะเป็นกรรมติดเราไปหรือไม่และจะทําให้ขวางการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลในชาตินี้หรือไม่เจ้าคะคือจิตมันเคยคิดอะไรมันก็จะคิดแบบนั้นไปเป็นนิสัยเปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีเราก็หยุดมันได้เช่นพอคิดไม่ดีคิดจะไปว่าเขาคิดจะไปทําร้ายเขาเราก็พุทโธพุทโธพุทโธหยุดไปแล้วก็ พอหยุดแล้วก็สอนใจว่าคิดแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าผลที่จะตามมาจะมีเป็นความทุกข์มีเรื่องมีราวกันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันจะต้องไปใช้รับผลในอบายอะไรต่างๆเหล่านี้สอนใจให้รู้ด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะต่อไปมันก็จะไม่คิดอีกต่อไปเ อ, เ, อเอามาให้อ่านคำถามก่อน การที่เราอาธิษฐานจิตต่อหน้าพระแก้วมรกตที่กรุงเทพว่าขอสิ่งที่เราคิดไว้ขอให้สำเร็จผลถ้าสำเร็จผลเราจะปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตแต่เมื่อสาเร็จแล้วเราปฏิบัติยังไม่ได้หรืออาจปฏิบัติไม่ได้เลยเราควรทำอย่างไรดีครับก็อย่าไปขอสิมันขอไปแล้วครับขอไปแล้วก็เราไปขอโทษบอกขอ ขอถอนทำไม่ได้มันขอไปแล้วอ่ะก็ต้องคืนไปก็สำเน็จไปได้ด้วยอ่ะก็เอาเอาเอาสิ่งที่สำเน็จเคืเข้าไปด้วยเลยคืนไม่ได้รนายก็ต้องรับกรรมไปเป็นการเป็นคนโกหกส่อพลอไปก็ต้องปฏิบัติไปก็ต้องแก้ไป ก, ไก็อย่าไปอย่าไปโกหกต่อไปก่อนจะขออะไรก่อนจะทําทสัญญาต้องมั่นใจว่าเราเราทําตามสัญญาได้หรือเปล่าถ้ามันล่าช้าไปกูจะตายก่อนเครับ ก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละก็ต้องรับผลกรรมไปอาจกจะอาจจะถูกคนก็มาหลอกเราบ้างมีมีผู้หญิงมาหลอกเราจะอยู่กับเราเพราะได้เงินเราก็เปิดไปเลยคือผมในฐานะดันสำเร็จมาไม่คิดว่าจะก็เตรียมรับกรรมไปแล้วกันต้อปฏิบัติไปแลนะเตรียมรับกรรมไปถ้าทําไมไม่ปฏิบัติเตรียมกรรมตามไปรปฏิบัติด้วยแล้วก็อาจจะมีกรรมตามมก็ต้องรับกรรมไปด้วย ทำกรรมอะไรดว่าจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นข้าเจ้บอกไม่มีทางแก้ครับมันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้เหมือนอย่างมันโยนโยนฉินใส่บ้านเขากระจกเขาแตกแล้วจะไปให้ <c oughs> นอกจากไปเปลี่ยนกระจกให้เขาใหม่นี่แต่บางอย่างมันเปลี่ยนไม่ได้แก้ไม่ได้ไปในทางเดียวกันแล้วต้องปฏิบัติตามคมําปัิฐานเนะใช่ก็ต้องทําตามที่เราปฏิฐานไปครับขุณครับ หลังจากที่ออกจากสมาธิโยมก็ได้พิจารณาร่างกายตั้งแต่ปฏิสนธิเรื่อยมาแล้วอยู่ๆจิตก็รวมดิ่งลงแต่โยมก็ยังพิจารณาต่อไปจนถึงร่างกายถูกเผาเป็นกระดูเป็นขี้เท่า ในขณะที่โยมพิจารณาจิตก็ดิ่งว่างอยู่นะคะจนโยมต้องตัดสินใจออกจากสมาธิเพราะจิตไม่ยอมหยุดดิ่งเลยโยมเคยเป็นอย่างนี้สองครั้งแล้วและติดอยู่ไม่ทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกจะต้องทำอย่างไรคะมันดิ่งก็ดีอยู่เอาออกมาทำไมนั่งสมาธิแทบตายก็พให้มันดิ่งพอมันดิ่งแล้วกลับไปถอนมันออกมามันกินข้าวเขาจะอิ่มก็แล้ว ก, กินไม่อยากให้อิ่มงนี้มันก็เมื่อไหร่มันจะอิ่ม มันจะอิ่มก็กินไปเรื่อยๆให้มันอิ่มมีอิ่มไปนานๆห้นมันดิ่งลงไปนานๆอันดิ่งมันดีอย่าถอนออกมานะก็หยุดพิจารณาแล้วก็มีสเตตอยู่กับการดิ่งไปก็แล้วกันคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณณตสาหลังหลังบ้านมีสุนัขจรเป็นจำนวนมากอาหารที่ให้ก็ไม่เพียงพอ ถ้าการที่เราแจ้งหน่วยงานราชการมาจับสุนัขที่ไรเจ้าของเพื่อเอาไปเลี้ยงที่สถานอุปการะมีอาหารมีที่อยู่ให้ถือเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเป็นบุญนะเป็นเมตตาหาที่อยู่อาศัยหาข้างก็เ ก, กินคําถามจากคุณปาร์กนาราค่ะเห็นกิเลสเกิดที่จิตตลอด เห็นสิ่งต่างๆมีแต่ความทุกข์ความไม่เที่ยงหนูเบื่อกับชีวิตการคองเรือนอยากพ้นทุกข์จึงคิดอยากไปบวชไม่รู้ว่านี่คือจิตปรุงแต่งหรือเปล่าคะก็ปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งไปในทางที่ดีการคิดอยากจะไปบวชนี่เป็นความคิดที่ดีเหมือนพระพุทธเจ้าก็อยากจะไปบวชต้องคิดก่อนถ้าไม่คิดก็ไปไม่ได้ความคิดเป็นผู้นาทางพอคิดแล้วมันก็จะตามมาด้วยการกระทาต่อไป แต่ถ้าคิดแล้วไม่กระทามันก็ยังไม่เกิดผลดังั้นถ้าคิดแล้วถ้าอยากจะไปบวชก็ไปบวชบวชแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามจากคุณปริธาภาค่ะเกิดเป็นมนุษย์ปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุขั้นพระโสดาบันได้เลยหรือว่าต้องผ่านการเป็นเทวดาเทพพรมก่อนถึงจะบรรลุขั้นโสดาบันได้ใช่ไหมคะ ก็ต้องผ่านเหมือนเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพมันก็ต้องผ่านพัทยาผ่านศรีราชาผ่านชนบุนรีอ่าเหมือนกันถ้าเรายู่เป็นเพียงแค่มนุษย์ไม่เคยทําบุญทําทานยังตนันห์หัวเงินหังทองอยู่ก็ไปไปไปนี้ผ่านไม่ได้ต้องสละทรัพย์สมบัติไปก่อนอทําบุญทําทานไปให้หมดเราจะได้ไปเป็นเทพจากเทพเราก็จะได้ไปปฏิบัติธรรมไปบวชได้เพราะคนบวชนี่เขาไม่เอาเงินติดตัวไปไปบวชแล้วก็ไปอาศัย อาศัยศรัท ธ, ธาของผู้เลี้ยงดูเราเราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้ายังใช้เงินอยู่ก็ต้องหาเงินหาเงินใช้เงินมันก็ไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเทพก่อนไอ้ทรัพสมบัติต้องไม่หวงต้องยินดีเสียสละเอาไปให้หมดคนที่อยากจะบวชอยากจะไปขั้นพรหมก็ต้องสละทรัพย์สมบัติไปเป็นเทพพอเป็นเทพปั๊บพอสละเงินหมดก็ไปเป็นพรหมไปไปฝึกสตินั่งสมาธิก็ได้พรม้ม พอได้พรมได้สมาธิแล้วพออยากสมาธิก็สอนใจให้เห็นให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้หเห็นทั้งโทษหเห็นทั้งทุกข์มันก็จะเลิอกอยากได้คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ครอบครัวไม่เชื่อเรื่องการทำบุญและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หนูกระทำไปในทางบุญค่ะทุกคนกังวลไม่สบายใจกับสิ่งที่หนูทำและมีคำพูดปรามทย์พระรัตนตรัยค่ะหนูยังมั่นคงศรัทธาและกระทำไปในทางบุญต่อไปแต่การไปทำบุญของหนูต้องปิดเงียบบางครั้งเขาถามหนูว่าไปทำบุญหรือไม่หนูตอบว่าเปล่าค่ะหนูโกหกผิดศีลหนูต้องวางใจ และทำอย่างไรเจ้าคะก็บอกความจริงไปที่ไม่โกหกทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายการทำบุญเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเราไม่เราไม่ไปบังคับเขาเราไม่ต้องการให้เขาสมาททำตามเราแต่การโกหกนี้เป็นการทำบาปเราไม่ควรทาบาปถ้าเราเป็นคนทำบุญคนทำบุญมักจะไม่ทำบาปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโกหกให้เสียเวลา ามากก็ไม่พูดเฉยๆก็ได้ยิ้มให้เฉยๆไปให้คิดเอาเองก็แล้วกันไปหรือเปล่าเป็นปริศนาไม่สามารถตอบได้พูดไปอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> คําถามจากคุณชัยยันค่ะการเจริญสติที่ใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นกรรมมัดฐานเพื่อควบคุมจิตไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆได้แบบนี้เป็นทางที่ถูกต้องไหมครับถูกต้อง การจะควบคุมจิตได้ต้องมีกรรมฐานเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีอะไรยึดไว้เช่นพุโทโธพุโทโธนี่ก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างหนึง่งถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพุทโธเดี๋ยวก็เผลอว่าไปคิดคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเร <c oughs> ื่องนี้ฉะนั้นต้องมีกรรมฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจเข้าสู่ความสงบต่อไป คำถามจากคุณชาริสาค่ะหนูกลัวตกนรกไม่รู้จะกลัวทําไมไม่ได้ทําอะไรไม่ดีเลยหนูเลยสวยดมนต์ทุกเช้านั่งสมาธิเดินจงกรมตามที่เข้าใจเงินเดือนหมื่นห้าก็แบ่งมาทําบุญห้าพันเลยฟังเทศวันละสามรอบก็ยังสงสัยว่าจะรอดนรกหรือยังไม่มั่นใจเลยเจ้าค่ะและดูว่าไม่มีอะไรแน่นอนขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ นรกจะไปได้ก็ต่อเมื่อทำบาสมากกว่าทำบุญถ้าตาบใดบุญเรามากกว่าบาสนารกก็ ย, ยังไม่เกิดเห็นถ้าพบนิชานนี้เราไม่ทำบาปเลยทำแต่บุญโอกาสที่จะไปนรกนี้แทบจะไม่มีแล้วเห็ น, นขอให้มั่นใจได้ถ้าเราทำบุญอย่างเดียวไม่ทำบาปรับประกันได้ว่านารกจะไม่ไปอย่างแน่นอนคำถามจากคุณใบหยกค่ะ จิที่รู้ทันบททดสอบที่ลูกต้องเจอในแต่ละวันในการดำรงชีวิตแล้วลูกเลือกขัดเกลาวจิตตนนี่คือทางที่ถูกของการปฏิบัติสมาธิภาวนาแล้วใช่ไหมเจ้าคะคือการปฏิบัติสมาธิเพื่อหยุดความคิดต่างๆเวลาคิดอะไรก็ต้องใช้สติหยุดมันจิตก็จะสงบการขัดเกลานี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่ากิเลสเป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์ ต้องคอยกำจัดกิเลสเวลามันโผล่ขึ้นมาอย่าทำตามกิเลสจากเอ่อจากคนเมื่อสักครู่ค่ะแจ้งด้วยว่าหนูถือศีลห้าด้วยเจ้าค่ะ อ, อถือศีลห้าโกโหกไม่ได้สเ อ, อ่คนที่บอกว่ า, วากลัวตกนรกค่ะ อ, อไม่ตกแล้วถ้าไม่ถไม่ทำบาปแล้วในชีวิตนี้ทำแต่บุญรับประกันไดว้วไม่ไม่ตกนรกอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ตอนนี้นะแต่ต่อไปพรุ่งนี้อาจจะไปทำบาป ก, ก็ได้นะเพราะไม่มีอะไรแน่นอน แต่ถ้าไม่ทํำบาปหรือทาบาปน้อยกว่าทําบุญบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์บาปไม่ยังไม่มีกําลังพอที่จะดึงเราไปนรกได้ตอนนี้น ไ, ไม่มีค่ะเมื่อกี้ยอมมีคําถามอะไรก็บอกก็มีอยู่นะครับถามว่าเองไม่กี่แม่เป็นไรคะ่ะใช้ไม่เลยคะ่ะผมเคยได้ยินอาจารย์ล่าไปฟังฟังเทศนะฮะว่า เป็นคาเป็นพระครับพระภิกษุเนี้ยห้ามไปสร้างงมสร้างนี่เนี่ยมันผิดอ่ า, อาบติทรงครับอบัติทรงครับอย่างเงี้ยไม่ไม่เป็นอาบัติแต่มันผิดผิดกิจผิดเป้าหมายของการมาบวช การมาบวดเพื่อมาสร้างอนิพพานไม่ได้สร้างสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างแล้าถ้าไม่ทำหน้างานก็ไม่ไม่มีคนทําดีครับมีให้ญาติโยมก็ทําเลยก็ญาติโยมก็ต้องผ่านพระก่อนก็พระก็รับรู้แล้วก็ปล่อยก็ทําไปนั่นเองแล้วเขาก็ไปภาวนาพระคุณผู้สงสัยค่อนฟังอยู่ทางทางทางโทรศัพท์ครับเอครับขอบคุณครับงานของพระคืองานภาวนางานปฏิบัติธรรม งานของญาติโยมคืองานสร้างวัดสร้างกุฏินี้เป็นญาณของญาติโยมพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวรพระพุทธเจ้าก็ให้ญาติโยมสร้างถวายให้ท่านแต่เขาต้องขอข อ, ขอไปสู่ก่นอนถ้าขอก็บอกเขาแย่ได้หรือไม่ได้ก็ตอบเข้าไปท่านเองรรเราก็มีเวลาไปภาวนาของเราต่อไม่ใช่ไปร่างสร้างทั้งวันทั้งคืนนีเ้เราเวลาไปภาวนาที่ไหนนะคใช่ไหมโอเค คำ ถ, ถามจากคุณชัยสรรค่ะจิตที่ดึงไปจิตที่ดิ่งไปจนถึงความสว่างแล้วควรทำอย่างไรต่อไปครับถ้ามันเด่งแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วมันจะรู้เองมันจะไม่อยากเคลมไปไหนมันจะอยู่กับความสว่างความสงบนั้นไปเพราะมันเป็นความสุขอยล่างยิ่งเหมือนกินข้าวอีกไม่จะทำอะไรก็นอนเลยจะไม่ทำอะไรแล้ว พอจิตสงบแล้วก็เฉยอยู่กับความสงบไปไม่ต <nin? S 1> ้องทำอะไรแล้วมีความสุขแล้พอแล้วความสุขแบบพอไงความสงบนี่แหละคือความสุขแบบพอจะไม่หิวไม่โหยไม่อยากได้อะไรต่อไปแต่ความสุขแบบอื่นได้แล้วอยากจะได้เพิ่มได้ครึ่งก็อยากจะได้สอกได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านแต่ความสุขจากความสงบนี่ได้แล้วไม่อยากจะได้อะไรเลยพอแล้ว อยู่ตัวคนเดียวได้ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่เดือดร้อนแม้แต่ไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนความสงบนี้มันวิเศษแบบนั้นหมนเล้อย่างคําถามจากท่านเดิมค่ะถามต่อว่าเมื่อไหรถึงจะเริ่มเจริญปัญญาได้ครับเวลาที่เราไม่นั่งสมาธินี่เราจเจริญได้ตลอดเวลายกเว้นเวลานั่งสมาธิเท่านั้นที่เราไม่เจริญปัญญาแต่จเจริญได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กําลังของสมาธิ การกํากลังของสมาธิมีน้อยก็จเจริญได้น้อยเพราะว่าจิตจะถูกกิเลสดึงไปเรื่อยๆกิเลสมันจะอบดึงให้เราไปคิดทางโลกทางทางรักทางชังทางสิ่งต่างๆจะนึงมาพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายนี่มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าไม่มีสมาธิกําลังพอมันก็จะดึงมาไม่ได้เราจะรู้เองว่าเราพิจารณาทาได้มากได้น้อยอยู่ที่กําลังของสมาธิของเรา แต่เวลาจเจริญต้องจเจริญตอนที่ไม่ได้ทำสมาธิเท่านั้นเองเวลาทำสมาธินี้ห้ามคิดห้ามพิจารณาให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมอย่างเดียวเพื่อให้จิตนิ่งให้จิตสงบถ้าไปคิดแล้วมันก็จะไม่มีวันสงบพอแล้วเลยโอเคมีไม้ไมไม่มีแล้วนะมีใครอยากจะถามไหมเชิญได้นะถ้าอยากจะถามอ่า ยอมเสียงดังไม่ต้องพูดใกล้มากนะเพราะมายมันกลัวเพราะมายมันกลัวคืออย่างนี้ครับดังดังอย่างลูกนะลูกที่อ่าลูกที่ด่าว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยเนี่ยโดยโด ย, โดยที่โดยที่ไม่รู้ลนะครับไม่รู้ย<ำ>ังไงมันรู้แต่เวลามันดา่ามันมัจะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่ามันผิดนะมัก็ต้องสายมันว่ามันผิดอันนี้มันเด็กจะทําต่อไปว่า แค่ก็ด่าว่าแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะแก้แก้เค็สแก้แกาบาปอันนี้ได้ไหมครับอทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้แต่แต่ห้ามบาปใหม่ได้อย่าไปทําอีกได้ยด้ไปทําอีกได้เครับแต่ของเก่าทําไปแล้วมันมันเรียกคืนมาไม่ได้แล้วแหละของตก่นั้นเรียกคืนไม่ได้อ่คใช่ไ ป, ไปแล้วก็แล้วก็เรารับผลไปต่อไปต่อไปมันมนลูกมันก็จะถูกลูกบันด่าเองคร <laughs> ับผมเขาพุ่งน้ำ คำถามจากคุณสุรพงษ์ค่ะเมื่อละรูปไปแล้วไปอยู่กับนามความรู้อยู่กับนามลอยเด่นอยู่ให้เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาแล้วจิตกลับมาสู่รูปดังเดิมต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับก็อย่าไปยึดติดรูปเยปล่อยวางรูปเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็อย่าไปยึดไปติดมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไป